สิขาบทที่หถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอาหารณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณภคชนบทถามทรงปราลบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอาหาร